คนที่เพิ่งมาที่นี่ได้วันสองวันคงรู้สึกได้ถึงความแตกต่างแตกต่างระหว่างที่ที่เราอยู่ที่ที่เรามาแล้วก็ตอนที่เรามาถึงนี่มันไม่ใช่แค่ความแตกต่างด้านสถานที่สิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะแต่คิดว่าคงเป็นความรู้สึกข้างในด้วยบางคนอาจจะรู้สึกสงบอาจจะรู้สึกนิ่ง แต่หลายคนก็ จ, จะรู้สึกหงอยๆงอยเงาเงานะหรือว่างวง่ว ง, ง, วงนะซึ่งก็คงเป็นความรู้สึกที่ตัวเองไม่เคยชอบเท่าไหร่มันไม่เหมือนความตื่นเต้นมีชวีว ช, ชีวาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเวลาเราอยู่บ้านที่ทำงานมีความกระตือรือร้นนะแต่ในรายเดียวกันก็ จ, จะมีความเครียดความสับสนวาวุ่น มาอยู่ที่นี่อาจจะมีความเครียดน้อยลงความว้าวุ่นใจจะน้อยลงแต่ว่าอาจจะมีความง่อยๆ่อเงาเงาไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่อันนี้เป็นธรรมดานะเวลาเราพยายามที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองมันคือการทวนกระแสความเคยชิ น, นที่บ้าน หรือว่าที่ข้างนอกนะข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรชื่อดึงดูดความสนใจดึงดูดจิตของเราให้ออกไปที่ภาพที่เสียงนะสีนะนะหรือว่าแสงนะรว่าแสงสีเสียงข้อมูลข่าวสารสารพัดนะที่มันดึง ความสนใจของเราออกจากตัวแลามันก็มีความเปลี่ยนแปลงมีสิ่งแปล ก, ปลกใหม่ๆ ม, ม, มาให้เราได้เสพก็เหมือนกับว่าถูกปลุกเราตลอดเวลาอาจจะคลายคนที่กินกาแฟทั้งวันก็ได้นะพอมาที่นี่เนี่ยสิ่งแวดล้อมก็ไม่ค่อยมีอะไรปลุกเราเราเท่าไหร่ไม่มีอะไรที่จะดึงจิตของเราออกไปจากนอกตัว แม้จะอยู่กันเยอะนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดคุยกันในการพูดคุยก็เป็นช่องทางหนึ่งนะในการที่จิตเนี่ยจะไปเสพรับอะไรแปลกๆใหม่ๆหรือว่าออกนอกตัวพอไม่ได้พูดได้คุยกันข้างในมันก็อาจจะอยากพูดอาจจะอยากคุยแต่ก็ทําไม่ได้ก็อาจจะให้เกิดความอึดอัดข้างใน สิ่งแวดล้อมแล้วก็วิถีชีวิตที่นี่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยพยายามที่จะให้เราเนี่ยได้กลับมาอยู่กับตัวเองไม่มีงานการให้ทำชนิดที่ว่าให้เราส่งจิตออกนอกมากยกเว้นเวลาเราทำความสะอาดล้างจานนั่นก็จะเป็นช่วงที่จิตเนี่ยถูกส่งออกนอกนะแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นอิสระเป็นความเข้าใจอย่างนั้นสิ่งที่คนเรา โดยพราะนยุปัจจุบันเนี่ยทนได้ยากคือการกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่ตัวเองเมื่อไหร่จะรู้สึกทรมานจะต้องหาทางนะหนีตัวเองให้ได้การทำงานก็เป็นงานหนีตัว อ, อย่างหนึ่งได้หเหมือนกันการพูดการคุยการเที่ยวนะเล่นไล Facebook, นะ์ a c e b o o k โซเชียลมีเดียหรือว่าการไปเสพสื่อต่างๆหรือแม้กระทั่ง ไม่มีอะไรให้ทำในลักษณะนั้นก็ปล่อยใจลอยนะหาเรื่องคิดโน่นคิดนี่เนี่ยก็เป็นการหนีตัวเองแบบหนึ่งนะแล้วก็ถ้าทำงั้นไม่สะดวกไม่ถนัดก็งั้นหลับดีกว่านะ <c oughs> การหลับนี่ก็เป็นการหนีตัวเองนะทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ก็ปิดการรับรู้ซะเลยทำไมการกลับมาอยู่กับตัวเองจึงเป็นเรื่องยากทำไมมันเป็นเรื่องที่ ดูเหมือนว่าชวนให้ทรมานหรือถึงขั้นทุรนทุรายนะอันนี้ก็น่าคิดนะทั้งที่เราก็บอกว่าเรารักตัวเองเรารักตัวเองแต่เรากลับมาอยู่กับตัวเองนะจะมีความรู้สึกกระสับกระส่ายหรือว่าอาจจะถึงขั้นทุรนทุรายก็ได้จาต้องหาทางนะหาทางออกไปคุยกับคนหาทางที่จะไปทำโน่นทานี่ แต่ก็ให้เราตระหนักนะว่ามันก็อาการที่เกิดขึ้นนะถ้ามันเกิดขึ้นกับเราในสถานที่ความเบื่อความง่วงความเฉยไม่มีชีวิตชีวานี่มันเป็นอาการชั่วคราวเท่านั้นนะมันเหมือนกับว่าเราเคยเสพติดบางสิ่งและเราก็พยายามที่จะเลิกหรือถอนออกจากสิ่งนั้น อาจเหมือนกับคล้ายคลาบติดกาแฟติดชาติดบุรีนะหรือว่าติดเหล้าแต่ว่ามันละเอียดกว่านั้นนะไปเสพติดกับรูปรสกลิ่นเสียงหรือภาษะแปลกๆปลใหม่ๆนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนพอเสพติดแล้วเนี่ยไม่ได้เสพมันวันแรกสองวันแรกก็จะมีอาการแบบนี้แหละ คล้ายๆเป็นการหักดิบถ้ามันมีการหนักกว่านั้นก็เรียกว่าลงแดงนะฉั้นจิตใจงเราเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะลงแดงนะเพราะว่าไอนะ้ที่เคยได้เสพสิ่งนะแ ป, แปลกๆใหม่ๆนะเขาเรียกว่าเสพอารมณ์นะภาษาภาษาพระเลือกอารมณ์อารมณ์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่จิตรับรู้ได้อาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะ ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจอโทรทัศน์หรือจอโทรสัพเนี่ย้พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ได้เหมือนกันเมื่อจิตรับรู้และธรรมชาติของเราแล้วก็การปลูกฝังตลอดที่ผ่านมามันก็พยายามทำให้เราเนี่ยเสพกับสิ่งแปลกๆปกใหม่ๆเดี๋ยวนี้ดูภาพเคลื่อนไหวทางโทรทัศน์ ถ้าภาพมันแช่อยู่ประมาณสักห้าวินาทีเราก็เบื่อแล้วภาพเดี๋ยวนี้มันต้องเปลี่ยนฉับไวมากแค่2วินาทีก็เปลี่ยนแล้วอย่างเราดูในจอโทรทัศน์อยู่ในภาพโฆษณาหรือภาพภา พ, พยนตร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะต้องตัดให้มันเร็วนะมีภาพเคลื่อนไหวเปลี่ยนชอ็อตเปลี่ยนซีนนะหรือเปลี่ยนมุมถ่ายเนี่ยสวินาทีเท่านั้นแหละ ถ้าแชร์เกินห้วินาทีคนก็บอกว่ามันน่าเบื่ออะไรทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้นะสํานวนนะอะไรทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้นะ mm hmm. ก็เพราะการถูกหลอล้อมเนี่ยในยุคเรียกว่าชีวิตจริงเร่งรีบแล้วก็การพยายามที่จะดึงดูดความสนใจของเรานะสื่อต่างๆก็พยายามดึงดูดความสนใจของเราดึงดูดสายตาของเราดึงดูดจิตใจของเรา ก็เลยแข่งกันที่จะหาสิ่งแปล ก, กใหม่ใหม่หรือการเคลื่อนการเปลี่ยนภาพที่รวดเร็วฉับไวจนท่านกลายเป็นเสพติดไปครั้นไม่ได้เสพสิ่งเหล่านี้ซึ่งเคยทำมาอยู่ที่นี่นมันก็เลยมีอาการแบบนะง่วงเ บ, บนะื่อเฉยไม่มีชีวิตชีวาแล้ววันพรุ่งนี้อาจจะหนักกว่านี้นะ แต่ว่าพอวันที่3วันที่4ก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าจิตเริ่มปรับได้เมื่อคนที่ติดกาแฟาแล้วก็เลิกกาแฟาทันทีเนี่ยวันแรกก็อาจจะมีอาการกระสับกระส่ายวันที่2ก็คงเช่นกันแต่พอที่ 3- าวันที่สก็เริ่มดีขึ้นอาการลงแดงค่อยๆหายไปแล้วเริ่มกลับมารู้สึกสบายไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันยากเสมอนะจากคนที่เคยติดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย แล้วก็เริ่มันทันทีเนี่ยก่อนที่จะพบกับความสบายความปร่งโล่งเนี่ยไอ้ช่วงระยะหัวเรียกว่าต่อเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะยากเสมอคนจะไม่ชอบทารกที่อยู่ในท้องเนี่ยในเวลาจะออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยทั้งที่โลกภายนอกนี่มันดีกว่าเยอะดีกว่าข้างในท้องแม่มีอะไรให้ดูหรือว่ามีสิ่งน่าสนใจกว่าเยอะแล้วก็มีอิสระมากกว่าด้วย แต่ทารกก็จะไม่ค่อยอยากจะออกนะร้อยทั้งร้อยเหลยานี้ก็จะพยายามต่อสู้ขัดขืนไม่ยอมออกมาเพราะว่าคิดว่าไอ้ที่อยู่ในท้องแม่นี่มันสบายแล้วนะจะให้ออกมาที่ฉันไม่ยอมออกมาแล้วเด็กก็จะร้องเหมือนกับว่าเจออะไรก็ไม่รู้แต่สักพักก็จะพบว่าเออข้างนอกมันสบายกว่าในท้องแม่นะใอ้เรานี่ก็เหมือนกันนะ ตอนที่เราจากบ้านมาที่นี่ก็จะมีความรู้สึกนะว่ามันอึดอัดบ้างละนะรู้สึกว่ามันมีแรงต้านข้างในอยากจะหวนกลับไปกลับไปบ้านกลับไปที่เดิมนะมันมีเสียงเสียงเรียกร้องข้างในแรงผลักเพราะว่ามันเคยชินนะกับวิถีชีวิตแบบนั้นนะ แต่ให้เชื่อเถอะว่านะาตรงนี้เนี่ยหรือสภาพแบบนี้เนี่ยมันดีกว่าไม่ใช่หมายถึงสิ่งแวดล้อมนะแต่หมายถึงสภาพที่เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองเมื่อช้านี้ก็ได้พูดถึงว่าการาการมีบ้านการการกลับมาหรือว่าการมาพบบ้านที่แท้จริงที่ประเสริยกว่าบ้าน ที่เราจากมาที่เป็นอาคารที่ก่ออิฐหรือว่าที่สร้างโดยไม้บ้านที่เราจะได้พบและสัมผัสเนี่ยมันดีกว่าเยอะบ้านที่ว่านี้ก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะเป็นบ้านของใจที่ประเสริฐมากมันไม่มีอะไรที่ทําให้เรากงังวลวิตกเหมือนบ้านที่เป็นก่อ ด, ด้วยอิฐถือปูนนะเดี๋ยวรังคางก็รั่ว เดี๋ยวฟ้าก็ร้าวเดี๋ยวพื้นก็สุดนะเดี๋ยวท่อก็แตกเป็นภาระนะสร้างความกังวลบางแห่งนี่พื้นสุดเนี่ยก็เป็นแถวเลยนะจนกระทั่งไม่กล้ายอยู่แล้วกลัวว่ามันจะพังคลือนลงมามากกว่านั้นนั่นแหละคือบ้านที่ก่อโดยอิทินะถือปูนซึ่ง แม้จะราคาหลายล้านนะแต่ว่าบางทีก็สร้างความกังวลแต่บ้านของใจเนี่ยนะโดยที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เรากังวลอย่างนั้นอยู่แล้วมีแต่ความสบายใจหรือความโปร่งเบาบ้านนี้เนี่ยนะเราจะพบได้นะก็ด้วยการที่เรามีสตินะสติทำให้เราไม่ลืมตัวทำให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน ทำให้จิกลัมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเกิดความสึกตัวขึ้นมาความสึกตัวเนี่ยภาษาบาลีกวสัมปะชัญญะสติกับสัมปะชัญญาในคู่กันสติคือไม่ลืมสัมปชัญญาคือไม่หลงไม่หลงก็คือรู้ตัวหรือรู้สึกตัวและการที่จะทําให้เราเกิดภาวะช่นนี้ได้เนี่ยมีวิธีการเรียกว่าสติปัฏฐาน4นะที่ชื่อว่าที่วัดนี้มีชื่อว่าสถามบัสติปัฏฐานเนี่ยก็คือว่า เป็นสถานที่ที่จะให้เราได้มารู้จักวิธีที่จะทำให้จิตไดนะ้พบกับสิ่งประเสริฐของชีวิตสติปัฏฐานสีผเนี่ยนะพุทธเจ้าตัดว่านะเป็นทางเอกนะที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นคาว่าทางเอกนี่ภาษาบาลีว่าเอกายโนโมโคนะ เอกายโ น, โนยเนี่ยบางทีก็แปลว่าเอกก็ได้หรือว่าแปลว่าทางตรงก็ได้ทางตรงสู่ความพ้นทุกข์คําว่าทางตรงสู่ความพ้นทุกข์แปลว่าอะไรแปลว่ามันมีทางที่ไม่ตรงแต่ก็ถึงเหมือนกันอาจจะช้าหน่อยเช่นการให้ทานนะการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยหลายคนก็ให้ทานไม่ใช่ให้ทานด้วยทรัพนะแต่ให้ทานด้วยอวัยวะหรือว่าให้ทานด้วยชีวิตนะเรียกว่าทานเยอะประมาธบารมีเลยนะ คนไทยสมัยก่อนที่เขาเชื่อเลยนนะว่าถ้าหากว่าสละชีวิตเป็นทานเนี่ยก็จะเข้าถึงพะนิพาน์ได้เร็วบางคนที่ถึงกับไม่ใช่สละชีวิตให้ใครเลยนะเผาตัวเองเลยนะสมัยการที่สงการที่3า ม, มีคนไทยหลายคนเนี่ยเผาตัวเองต่อหน้าพระพุทธรูปด้วยความเชื่อว่าการสละชีวิตอย่างนั้นเนี่ยจะทำให้เข้าถึงพะนิพานธ์นได้เร็ว และจริงๆมันก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะจนระทั้งทางการต้องสั่งนะว่าห้ามทำเด็กขาดนะรัะช ก, การที่4ต้องประกาศเลยนะห้ามห้ามเผาตัวเองเพื่อเพื่อเป็นเป็นเพื่อถวายเป็นทานแก่ผู้เจ้านะเพราะมันไม่มีในพะุทธศาสนาแต่ว่ามีมีนะประเภทว่าสละชีวิตเพื่อช่วยสัตว์ช่วยผู้คนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบําเพ็ญทานบารมีที่นําไปสู่ความหลุดพ้นได้ แต่ต้องหลายชาตินะหลายชาตินะหลายภพศีนก็เป็นกันนะสีนรักษาศีนนะ์รักษาศีลอุโบสถนะสีล5ก็นําไปสู่ความพ้นทุกข์ได้แต่มันก็หลายภพหลายชาติแต่ก็มีคนไทยหลายคนก็ทําอย่างนั้นก็ถือว่าค่อยๆทาไปนะบำเพ็ญทานไปเดี๋ยวในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระนิพพานหนึ่งหรือแม้ก็ได้ไปเกิดอายุพฤษีอ่าน มีความเชื่อแบบนี้เป็นการนะัตธรรมบุญมากๆแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเกิดในยุคพระศีอารซึ่งเชื่อว่าอีก2อ0 0ันสองปีข้างหน้ามาถึงยุพระศีอารแล้วเกิดในยุคนั้นแล้วก็จะมีโอกาสได้หลุดพ้นได้เข้าถึงพระ น, นิพพานรักษาศียก็เหมือนกันนะเชื่อว่ารักษาศียด้วยความเคร่งครัดก็อาจจะเป็นเหตุให้ได้ไปเกิดในยุคพระศีอารได้พรพระพุทธเจ้าองค์ที่5นะเรียกว่าอนาคตกาพุท ธ, ธะแล้วก็ทําให้บรรลุธรรมได้ ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าช้านะเป็นทางอ้อมสติปัฏฐานสีนี่เป็นทางทางตรงแล้วก็มีนัยยะว่าทางลัดนะทางลสู่การพ้นทุกข์พ้นทุกในที่นี่คือลื้อถอนความทุกข์ออกไปหมดนะเพราะว่าเกิดปัญญาเห็นแจ้งนะในสัจธรรมโดยเพราะเห็นแจ้งในใจรักแล้วก็ทําให้จิตเนี่ยปล่อยวางไม่ยึดติดถือมั่นอะไรต่อไปจิตก็เป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำด้กิเลสแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสติปัฏฐานสีเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ทางรัสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงเท่านั้นนะแม้แต่บุตรชนอย่างเราซึ่งปรารถนาการพ้นทุกเพียงแค่ชั่วคราวเนี่ยสติปัฏฐานสีก็เป็นทางเอกทางตรงหรือทางรัศได้เหมือนกันทุกชั่วคราวเนี่ยหมายถึงทุกใจนะทุกกายนี่อีกเรื่องหนึ่ง ทุกกายเนี่ก็เป็นเรื่องของหมอเรื่องของพยาบาลเรื่องของการแก้ปัญหาตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าพูดถึงความทุกข์ใจเนี่ยประชชนอย่างเราก็มีความทุกข์ใจนะเพราะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจอารมณ์ก็มีอยู่2ลักษณะนะใหญ่ๆนะอารมณ์ที่เป็นการผลักออกไปเช่นโทสระได้แก่โทสระเช่นความโกรธนะความเกลียดความกลัวนี่เป็นลักษณะการผลักออกไป หรือว่าอยากหนีเราโกรธใครเราก็อยากจะผลักสิ่งนั้นออกไปทำลายสิ่งนั้นหรือไม่ก็หนีออกมาซะโกรธเกลียดกลัวนะรวมทั้งความเบื่อหน่ายนะอพวกนี้ก็ประเภทหนึ่งประเภทอยากจะผลักออกไปหรืออยากจะทำลายอยากจะหนีห่างอารมณ์ประเภทนี้ทาให้เกิดความทั่วคือความอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเอาอันนี้เรียกว่าโลภะราคะ ซึ่งมันก็ทำให้เกิดความทุกนะอยากได้ของที่เราไม่มีเงินซื้อหรือว่าอยากอยู่กับคนที่เราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเพราะเขามีคู่ครองแล้วนะอยากได้ตำแหน่งนะแต่ว่ามันก็มีคนยื้อแย่งกันมากเหลือเกินก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจิตที่มันอยากจะเข้าหาอยากจะครอบครองซึ่งถ้าเกิดสูญเสียไปไม่ได้ก็เกิดโทสะเกิดความไม่พอใจ หือว่าอย่างต่าๆเกิดความหงุดหงิดอันนี้คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับพวกเรานะวันเราหลายครั้งแล้วก็ทุกวี่ทุกวันก็ว่าได้สถิปิปทานเนี่ยมันสามารถจะเป็นทางเอกทางรัตที่ทําให้เราพ้นจากทุกข์แบบนี้ได้แม้ว่าจะเป็นทุกข์ชั่วคราวที่ยังไม่ใช่เป็นการรื้อถอนความทุกข์อย่างสิ้นเชิงก็ตามแต่มันก็มีคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่เราปรารถนา ที่พูดมันเป็นทางแล้วก็เพราะมันมีทางอื่นมันมีทางอื่นด้วยที่จะทำให้เร า, าหลุดจากอารมณ์เหล่านั้นได้ไม่ว่าจะอารมณ์โกรธเกลียดกลัวหรือว่าความโลภอยากได้ครอบครองเช่ น, นสมมุติว่าเกิดความโกรวขึ้นมาเนี่ยอันนี้พระเจ้าก็สอนเองนะว่ามันมีวิธีการอื่นเช่นนะให้น้อมใจนึกถึงสิ่งที่มันตรงข้ามนะเช่นเราเกลียดเราโกรธคนบางคน เห็นหน้าเขาแล้วเนี่ยเดินนึกถึงเขาเนี่ยมันเรียกว่าปี๊ดเลยนะแต่ถ้าเราลองนึกถึงลูกของเรานึกถึงเด็กที่น่ารักนึกถึงดอกไม้เนี่ยนะความโกรธมันก็บันเทาได้นะหรือว่านึกถึงโทษของความโกรธว่ามันจะทําให้เรานอนไม่หลับไม่ทำให้เราเป็นโรคประสาหรือความดันขึ้นหรือมันทําให้จิตใจรุ่มร้อนพอเห็นโทษของมันแล้วเนี่ย ก็ทำให้ความโกรธบันเทาเบาบางหรือไม่เช่นนั้นก็พยายามไม่นึกถึงมันซะไม่นึกถึงคนที่เราโกรธไม่ถึงคนที่เราเกลียดหรือถ้าไม่ได้ผลก็ก็กดข่มมันเลยนะกดข่มเอาไว้ น, ะ น, นี้พูเจ้า ก, ก็แนะนะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นทางอ้อมนะให้ผลชั่วคราวทางที่ดีกว่านั้นนะซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยนะ 3- าสวิธีที่พูดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เคยทากันทั้งนั้นแหละแต่ก็จะพบว่ามันไม่ได้ผลหรือว่ามันได้ผลชั่วคราววิธีที่ดีกว่านั้นที่เป็นทางรัทหรือว่าทางเอกก็คือการมีสตริรู้ทันรู้ทันอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นนะรู้พอรู้ทันปุ้นเนี่ยมันดับไปนะอย่างที่พู่เมื่อเช้าเนี่ยมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าทำไงตัดจะตัดความโกรธให้ขาด หลวงปู่ท่านก็ตอบว่าไม่มีใครตัดความกดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองดับไปเองนะมันดับไปเองเพราะว่าเรารู้ทันเหมือนกับโจรที่มันเข้ามารอบเข้ามาในบ้านแล้วก็เจ้าของบ้านเห็นพอสบตากันเนี่ยมันถอยไปเองนะเจ้าของบ้านไม่ต้องหาไม้หาปืนมาไล่มันเข้าไปเองอารมณ์ไฟ ยอยากครอบครองก็เหมือนกันนะเช่นความอยากเนี่ยอยากได้เหลือเกินอยากได้สิ่งของอยากได้คนคนนี้มาเป็นคู่ครองอยากเข้าใกล้เขาแล้วก็ทุกข์นะระทมนะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ได้หรือว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลเหลือเกินก็าจากนึกถึงสิ่งตรงข้ามก็ได้นะนะนึกถึงสิ่งตรงข้ามเช่นนึกถึงอยากได้ เขาใกล้ผู้หญิงนะบางทีนึกถึงศพเนี่ยนึกถึงศพก็ทําให้ใจมันฟอไปเลยตันหามันก็มันก็เหี่ยวไปเลยนะราคามันก็หายไปเลยอันนี้ เ, ยเรยวนึกถึงสิ่งตรงข้ามว่านึกถึงเรื่องอื่นก็ได้ฉช่อยากได้สิ่งนี้แต่ว่าไปนึกถึงเรื่องไปนึกถึงพระพุทธรูปนะนึกถึงพระพุทธรูปนะไอ้ราคาที่มันมีก็ค่อยฟอไป สวนมนนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่ช่วยบรรเทาทั้งความความโกรธความเกลียดความกลัวและความอยากชื่อว่าราคะโลภะหรือว่านึกถึงโทษของมันว่าการคิดถึงมันเนี่ยมันไม่ดีเช่นใจเนี่ยนึกถึงในทางการมเนเรียกว่ากรรมฉันทะก็ชี้พิจารณาว่าเออมันมีโทษอย่างไรบ้างก็ทำให้มัน อรหรือมันเลือนหายไปได้เหมือนกันหรือไม่ฉะนั้นกนะ็พยายามไม่สนใจมันหรือว่าพยายามกดข่มมันกดข่มราคากดข่มความอยากแต่วิธีนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่เป็นทางรัฐหรือว่าทางเอกหรือว่าทางที่ให้ผลเร็ววิธีที่ดีวกว่านั้นคือการมีสติรู้ทันรู้ทันใจที่มันอยากรู้ใจรู้ทันราคาที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดัจะดับไปเองเหมือนกัน อันนี้รอเป็นทางเอกหรือว่าทางสายตรงที่ช่วยให้พ้นทุกข์แม้ว่าจะเป็นการชั่วคราวก็ตามวิธีแบบนี้เนี่ยนะที่เรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะไปใช้วิธีอื่นๆที่พูดมานะซึ่งมันก็ได้ผลนะแต่ว่าเกิดโทษได้เหมือนกันเช่นความโกรธเนี่ยหรือความเกลียดเนี่ยกดเอาไว้นะ กดเอาไว้มันก็ไปโผล่ในความฝันนะหรือบางทีเนี่ยมั น, นมันไปแปลงโฉมในรูปอื่นมีคนหนึ่งเนี่ยแกเกลียดสามพระภูมิมากเลยเวลาเห็นสามพระภูมิเนะียย่ยอยากจะไปทําลายอยากจะไปทุบแกก็ไม่เข้าใจาทำไมถึงเกลียดโกรธสามพระภูมิอย่างนั้นจงทั้งได้ไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็ให้ให้เล่านะชีวิตความเป็นมา ก็พบว่าแกเป็นคนที่เกลียดพ่อเคยทะเลาะกับพ่อหรือทะเลาะหลายครั้งแล้วก็บางครั้งพ่อก็ด่าแล้วก็ใช้กำลังก็ทำให้แกโกรธแล้วก็เกลียดแล้วก็อยากจะใช้กำลังกับพ่อแต่ก็กดข่มเอาไว้พอรู้สึกว่าคนดีเนี่ยเขาไม่โกรธพ่อคนดีเขาไม่เกลียดพ่อบุพการีมันจะเป็นอกตัญญูก็พยายามปฏิเสธ ไม่ยอมรับว่าตัวเองเมีความรู้สึกแบบนี้แล้วก็พยายามกดเอาไว้กดเอาไว้เนี่ยก็ดูเหมือนได้ผลนะรู้สึกสบายใจเออเราเป็นคนดีเราไม่มีความรู้สึกโกรธเกลียดพ่อแต่มันไปออกที่สามประภูมิแทนเพราะสามพระภูมิเนี่ยนะมีบางอย่างที่เป็นตัวแทนแคล้ายๆตัวแทนของพ่อเป็นที่เคารบสักการะเป็นเป็นสิ่งที่ยกเอาไวเ้เหนือหัวโกรธเกลียดพ่อไม่ได้ก็ไปโกรธเกลียดสามพภูมิแทน อันนี้ไม่รู้ตัวด้วยนะวิธีวิธีแก้คือว่าวิธีแก้ที่ทำให้คลายความโกรธความเกลียดสามภคคีคือยอมรับตระหนักว่าเรามีความรู้สึกโกรธเกลียดพ่อนะไม่ต้องปฏิเสธยอมรับมันด้วยความซื่อตรงแล้วก็รับรู้มันเฉยๆนะคนส่วนใหญ่เนี่ยพอมีอารมณ์โกรธเนี่ยก็จะคล้อยตามมันทำตามมันอันนี้ก็ไม่ถูก แต่การไปกดคมมันนะก็ไม่ถูกเหมือนกันได้ผลบ้างนะได้ผลในกรณีที่ว่ามันกระทันหันอ้าวเหยียบเบรกก็ไว้ซึ่งก็มีผลดีนะเช่นเราโกรธใครเนี่ยเท่าไราอย่าไปต่อยเขาเนี่ยมันไม่ดีแน่โกรธเขาแล้วอย่าไปทำลายเขาเนี่ยมันไม่ดีนะก็ต้องกดคมเอาไว้มันได้ผลชั่วคราวแต่ว่าก็ก็เป็นเรื่องเรียกว่าเฉพาะหน้าหรือว่ากระทันหันนะ ก็ดีกว่าไม่ทำแต่ว่ามันมีวิธีการที่ดีกว่านั้นนะความรู้ตัวการมีสติรู้ทันนะเมื่อเช้าก็เล่าถึงานายทหารคนหนึ่งที่ถือปืนจะไปยิงผู้ปกครองที่มาว่าตัวเองที่ม า, าแย่งที่จอดรถนะจะอบปืนไปยิงเขาแต่ก็มีพนักงานขับรถของโรงเรียนนะมาพูด นะทํานไม่ค่อยได้สติมาแตะมือเขาเขาก็บอกว่าท่านมารับลูกไม่ใช่หรือครับไม่ใช่บอกว่าอย่าทําอย่าทำนะไปพูดอย่างนั้นเนี่ยคนมันยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่แล้วอาจจะเอาปืนมาส่องพนักงานขับรถแทงก็ได้แต่เขาฉลาดนะถึงแม้จะเป็นคนมีการศึกษาแนละ้วแต่แกมี EQ นะแทนชี้เตือนว่าอย่าทําอย่าทำก็พูดว่าท่านมารับลูกไม่ใช่หรือครับ น, ะนายสาวนั่งซึ่งมารับลูกนะ พอมีคนแบบพูดแบบนี้ก็ได้สติเลยพอได้สติเกิดความรู้สึกตัวนะความกลัวมันหายไปเลยนะรีบเอาปืนไปเก็บเลยในรถแล้วขับไปรับลูกนะมันไม่ต้องกดข่มนะมันหายไปเองทันทีที่รู้สึกตัวทันทีที่มีสตนะิเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการการเจริญสติหรือการใช้สติปัฐานสีเนี่ยนะหรือเรื่องสมการการมีสติเนี่ย มันเป็นวิธีที่จะช่วยให้พ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการทิ่มแทงแผดเผาของอารมณ์ที่ทำร้ายจิตใจของเราได้มันเป็นวิธีการที่เร็วเป็นทางตรงทางรัดแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกมานะมันจะมันจะให้ผลช้าหลายคนเนี่ยก็สูญไม่ทันใจก็เลยกลับไปใช้วิธีการเดิมเช่นกดข่ม คือของอะไรก็ตามที่เราไม่ค่อยได้ทําหรือไม่ได้ทําสม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะช้าเสมอมันก็จะใช้เวลาแล้วเราก็สื่อมันยากแล้วพืว่าการจนสิเป็นเรื่องยากนีกดคมเอาดีกว่ามีความฟุ้งซ่านเนี่ยก็กดมันเอาไว้เร็วดีถนัดทําแบบนี้บ่อยวิธีนี้ก็หลายคนก็คงจะมาใช้แหละในช่วงอาทิตย์นี้แหละจ่ายมันฟุ้งซ่านไม่รู้ทาําไงกดมันเอาไว้ หรือแม้ก็เพ่งเอาจิตมาเพ่งที่มือที่เท้าคิดว่าให้ผลเร็วนะทำให้หายฟุง้งซ่านแต่ไม่ได้ผลหรอกเดี๋ยวมันก็เกาะ ก, กวนอีกครั้นจะให้มีสติรู้ทันมันก็ไม่ยอมรู้ทันสักทีสติมันเชื่องช้างเงื้งะแล้วก็บอกว่ายากมันยากเพราะว่าเราไม่ได้ทำให้สม่าเสมอลองนึกสมัยก่อนเนี่ย ตอนที่จะเป็นเด็กเนี่ยเขียนกก่ขไข่มันยากไหมมันยากเขียนกไก่ข้อไข่ไม่เป็นตัวเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เราเขียนกอไก่ข้อไข่เร็วมากเลยเนะส่วนควณแต่ก่อนก็กว่าจะท่องได้ 3-4 เท่าไหร่นะสาคูณสเท่าไหร่ใช้เวลานึกอยู่ต้องนานเดี๋ยวนี้นี่มันออกมาเอง3 42แม้จะฝันเอามันก็ยังฝันได้แต่ก่อนเรียนภาษาอังกฤษที่แต่ละคําแต่ละคํานึกไม่ออก แต่พอทะทำแบบฝึกหัดจนชนานาญฝันเป็นภาษาอังกฤษก็ยังได้เลยฝันว่าพูดภาษาอังกฤษก็ยังได้มันกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะอะไรเพราะทำ บ, บ่อยๆนะชัศวิปฐานเนี่ยซึ่งเป็นทางเอกทางลัดในการพ้นทุกเนี่ยทั้งทุกชั่วคราและทุกถาวรเนี่ยถ้าเราทาจนเชี่ยวชาญชํานาญเนี่ยมันก็จ ะ, ะช่วยเราพ้นทุกได้เร็ว แต่อยู่ที่ว่าเราทำชำนานหรือเปล่าต้องทำบ่อยๆนะในขณะที่เราเริ่มมาปฏิบัติเนี่ยนะมันจะเผลอมากกว่ารู้หมายถึงรู้ตัวนะทาไปนะชั่วโมงหนึ่งก็าจะเผลอไปสักอ่านาทีรวมไปแล้วนะรู้ตัวแค่4นาทีก็อย่าท้อนะก็ทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆนะ การจนสติเนี่ยมันจะรู้เทเ ร, น, ทรนิตเทเรนิตนะแต่ก็เหมือนกันน้ำนะน้ำเทยนยศเทยนยเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยก็กลายเป็นลานําธารและลําธารก็กลายเป็นแม่น้ำหลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านนั่นพูดนะว่าเนี่ยการรักการจรนสติหรือการรักษาสติเนี่ยก็คือการรู้เทเรนิตเทรนิตแต่ให้ทําเป็นนิดทําเป็นนี่คือทําสมา่ําเสมอทําต่อเนื่องเนี่ยอย่างถ้าเรา ช่วง6วันข้างหน้าเนี่ยเราทำตลอดเวลานาะทำตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวล า, าเวลาราชการไม่ใช่เฉพาะเวลามาอยู่ที่หอใจเก้นะาโมงเช้าหรือว่าตนถึงเย็นแต่ว่าเราทำาน่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ทำมีสติรู้ตัวเวลาอาบน้ำเวลาแปรงฟันเวลาล้างหน้าก็ให้มีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวถึงแม้ว่าจะรู้สึกตัวนิดเดียวเพ้อเยเยอะ ใจลอยเชื่อมากแต่รู้ทีระนิดทีระนิดเนี่ยนะรู้แต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยผ่านไปเป็นอาทิตย์เนี่ยมันก็เห็นผลนะมันก็ส่งผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปท้อถอยนะค่อยๆเก็บสะสมไปทีระนิดในความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะจรู้สึกตัวเฉพาะเวลายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมนะแต่ให้ ทำตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนเข้านอนเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็พยายามให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกระตัวใจมันลอยไปไหนตามความเพ้อเชิงก็กลับมากลับมาแล้วก็ไม่ต้องพยายามไปกดข่มความคิดนะให้รู้ทันมันนะพยายามฝึกให้รู้ทันมันรู้ทันมันใหม่ๆก็รู้ช้านะพอไม่ทันใจกดข่มมันเลยนะอันนั้นแหละก็ทําให้การจดสิของเราเนี่ยมันไม่ค่อยก้าวหน้าเพราะเราไม่ค่อยยอมฝึก วิธีใหม่เอาแต่ใช้วิธีเก่าซึ่งเป็นวิธีแบบประถมนะมัธยมนะไม่ใช่วิธีมหาหลัยวิธีประถมมัธยมคือท่องจําเนี่ยเราเอาตัวรอดได้เพราะการท่องจําแต่พอจะใช้วิธีอุดมศึกษาคือการรู้จักคิดคิดด้วยตัวเองไต่ตรอัดด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ชอบมันยากก็เลยท่องมันท่องแต่พึ่งๆบางคนก็จบนะท่องจบใช้วิธีการท่องจําจบมหาลัยแต่ว่า ความชํานาญไม่มีการรู้จักคิดด้วยตัวเองไม่มีเพราะท่องตะ บ, บันวิธีการปฐมมัธยมคือการท่องจําวิธีการหมาลายคืออุดมก็คือการรู้จักคิดไตรตรองพิจิตรพิคอด้วยตัวเองทานองเดียวกันนะในการการแก้ทุกข์กันกํากจัดทุกข์หรือว่าการพ้นทุกข์เนี่ยวิธีปฐมมัธยมคือการกดข่นะกมกดข่มความโกรธความเกลียดความโกรโกดข่คมความอยาก เอว่าเออให้มีสติรู้ทันไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่แต่ตอนนี้เป็นโอกาสแล้วให้เรามาใช้วิธีอุดมดูบ้างนะมันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะก้าวจากความทุกข์ได้ได้เร็วถ้าเราทำได้คล่องแคล่วําชมดิชมนานอาคำที่ก็พูดกันท่านี้นะครับครบ